อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใดพิษูถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้นแม้พิกษุนี้ก็เป็นประราชิกหาสังวาดไม่ได้ทรัพย์ในคัมภีร์วิพังวินิจฉัยไวมากหลายชนิดในที่นี้จักจัดเป็นหมวดแสดงเพื่อกำหนดง่ายทรัพย์ที่กล่าวไว้ในคัมภี์วิพังนั้น รวมเข้าได้สองประเภทเป็นสังหาริมาของเลื่อนที่ได้หนึ่งเป็นอสังหาริมาของเลื่อนที่ไม่ได้หนึ่งทรัพย์ที่เป็นสังหาริมานั้นได้แก่สัตว์ต่างชนิดเป็นต้นว่าปรสสุสัตว์เช่นแพะแกะสุกรและสัตวนะ์พาหะเช่นช้างม้าโคกระบือเรียกสภวิญญาณกะก็มี ได้แก่พัสดุไม่มีวิญญาณเรียกอาวิญญาณกะเป็นของตั้งอยู่ลอยลอยไม่ติดอยู่กับที่เช่นเงินทองผ้านุ่งหม่มและเครื่องใช้สอยเป็นต้นก็มีที่เป็นอสังหารียมนั้นซับโดยตรงได้แก่ที่ดินอย่างเดียวโดยอ้อมนับของที่ติดเนื่องอยู่กับที่นั้นด้วย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 เจ้าหน้าที่ก็ดีไม่ได้ให้แล้วไม่ได้สละให้เป็นสิทธิ์แล้วทรัพย์นั้นชื่อว่าเจ้าของไม่ได้ให้แล้วเพราะคําว่าจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีนั้นให้อย่างสันนิฐานว่าทรัพย์นั้นอยู่ในความเก็บงามของเจ้าของเช่นเงินทองก็ดีทอดทิ้งไว้ในที่อื่นเช่นต้นไม้ตัดลงแล้ว แต่ยังไม่ได้เข็นออกจากป่าก็ดีนับว่าทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ทั้งนั้นการถือเอาทรัพย์นั้นเป็นส่วนแห่งโจรกรรมนั้นมีอาการต่างๆตามชนิดของทรัพย์การถือเอาทรัพย์เป็นสังหาริมะคือเลื่อนที่ได้กำหนดว่าถึงที่สุดด้วยทำให้เคลื่อนจากฐานมีนัยยะดังต่อไปนี้ หนึ่งซับเป็นสังหาริมะตั้งอยู่ลอยนั้นมีฐานต่า ง, างกันฝังอยู่ในแผ่นดินก็มีตั้งอยู่บนพื้นก็มีแขวนอยู่ในอากาศก็มีวางอยู่บนของอื่นเช่นบนเตียงหรือบนราวก็มีอยู่ในน้ำก็มีอยู่ในของเลื่อนที่ได้อีกต่อหนึ่งก็มีเช่นในเรือหรือในยาน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 หรือจิตรประกอบด้วยความเป็นขโมยภิกษุมีไทยจิตถือเอาทรัพย์นั้นแต่พอทำของให้พ้นจากที่ก็ต้องอาบัตถึงที่สุดถ้าเป็นของตั้งอยู่ในของที่จะเลื่อนได้อีกต่อหนึ่งเช่นในเรือเลื่อนออกไปทั้งของที่รองอยู่ก็เหมือนกันเพื่อจําง่ายคนเรียกว่าลัก ทรัซับเช่นนั้นกำลังคนนำไปมีอวัยวะของคนเป็นฐานพึงกำหนดโดยอาการที่ทูลศรีรษะแบกบนบา่ากระเดียดที่สเอหรือหิว้วหรือถือที่มือภิกษุมีทยจิตชิงเอาซับนั้นพอพ้นจากอาวัยวะอันเป็นฐานก็ต้องอาบัตเพื่อจำง่ายคนเรียกว่าชิงหรือวิ่งราว ในคำพีวิพังแก้บทภาระาว่าภิกษุถือเอาของแห่งคนอื่นไปมีทายจิตปลงของลงจัดฐานเช่นทูนศีสะเอาลงที่บ่าเป็นต้นต้องอาบัตถึงที่สุดข้อนี้ก็อย่างเดียวกับรับของฝากเพราะต้องเป็นผู้สำนองคือจะต้องรับผิดหรือรับใช้เมื่อของหายควรจะปรับด้วยอย่างอื่น ถ้าจะว่าในทางบ้านเมืองอาจจะทำอย่างนั้นอาการลักษยังไม่ปรากฏถือของเมื่อเข้ า, ข า, าก็อาจจะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนมือหรือวางพักด้วยใจสุจริตก็ได้ถ้าอาวะหันคืออาการที่ถือว่าเป็นลักทรัพย์มีได้ในทางนี้คนดีๆก็จะถูกหากันงอมแงมดูไม่เป็นฐานะนเลยข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่า คนอื่นถือภิกษุชิงจักฐานซึ่งเรียกว่าชิงหรือวิ่งราว 3. ประสุสัตว์ก็ดีสัตว์พาหะก็ดีมีเท้าของมันเป็นฐานภิกษุมีไทยจิตขับต้อนหรือจูงให้มันไปพอเท้าที่สี่ย่างพ้นจักฐานก็ต้องอาบัต เพื่อจำง่ายคนเรียกว่าลักต้อนถ้าเป็นสัตว์เล็กที่จะพึงอุ้มได้ถือได้ด้วยมือเช่นไก่ภิกษุมีไทยจิตต้องไปจัดเข้าในบทนี้ถ้าอุ้มเอาไปจัดเข้าในบทลักในวีนิตาวัตถุแห่งสิกขาบทนี้แสดงอธินาทาน เข้าในประเภทนี้อีกสองอย่างคือสี่คนถือของตกภิกษุมีไทยจิตเข้าแย่งเอาพอหยิบขึ้นจากที่ก็ต้องอาบัดเพื่อจําง่ายคนเรียกว่าแยง่งหเวลาแจากของภิกษุมีไถยจิต สับสลากชื่อตนกับชื่อภิกษุอื่นในกองของด้วยหมายจะเอาลาบของภิกษุอื่นที่มีราคากว่าพอสับเสร็จก็ต้องอาบัดเอาของปลอมสับเอาของดีจัดเข้าในบทนี้เหมือนกันเพื่อจำง่ายควรเรียกว่าลักลับการถือเอาทรัพย์ เป็นอสังหาริมะรัพกำหนดว่าถึงที่สุดด้วยขาดกรรมสิทธิ์แห่งเจ้าของตัวอย่างเช่นภิกษุกล่าวตูเพื่อจะเอาที่ดินของผู้ใดผู้หนึ่งเจ้าของเป็นผู้มีวาสนาน้อยเถียงไม่ขึ้นทอดกรรมสิทธิ์ของตนเสียภิกษุกต้องอาบัตถึงที่สุดในขณะนั้นถ้าเจ้าของยังไม่ปล่อยกรรมสิทธิ์ฟ้องภิกษุกในศาลเพื่อเรียกที่ดินคืน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 ภิกษุปักเขตลุกเอาที่ดินของเขาท่านว่าต้องอาบัตถถึงที่สุดในขณะทำสำเร็จแต่น่าจะเห็นว่าเจ้าของไม่รู้เป็นอันตุ ก, กรรมสิทธ์ด้วยทีเดียวข้อนี้พระวินัยทอนพึงพิจารณาดูเถิดถ้ารื้อถอนทรัพย์เป็นนสังหาริมะโดยอ้อมออกจากที่เช่นฟันต้นไม้หรือรือ้อเรือนกาหนดว่าถึงที่สุด ด้วยทำให้เคลื่อนที่สำเร็จดุจในยะในรั์เป็นสังหาริมายังมีอวหารคืออาการที่ถือว่าเป็นลักษั์ที่จะพึงกำหนดด้วยอาการอย่างอื่นจากทรั์อยู่อีกกำหนดด้วยกรรมสิทธิ์บ้างด้วยอย่างอื่นบ้างดังต่อไปนี้ภิกษุรับของฝาก มีทยจิตคิดเอาเสียรันเจ้าของมาขอคืนกล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้รับไว้หรือได้ให้คืนแล้วก็ตามเช่นนี้พึงกำหนดด้วยอาบัตด้วยขาดกรรมสิทธิ์แห่งเจ้าของดังกล่าวแล้วในบทตูนั้นเพื่อจำง่ายคนเรียกว่าชอ่อหากจะมีคำถามสอดเข้ามาว่าเหตุชนไหนไม่กำหนดเป็นอาบัต ด้วยทำให้เคลื่อนจากฐานแกว่าอวหารที่กำหนดเป็นอาบัติด้วยทำให้เคลื่อนจากฐานนั้นเพ่งเอาของที่ภิกษุไม่ต้องสำนองคือรับผิดหรือรับใช้ในเมื่อหายไปแล้วส่วนของที่ภิกษุรับฝากไว้นั้นภิกษุต้องเป็นผู้สำนองคือต้องรับใช้ในเมื่อของนั้นหายเอิดดังนั้นในการรับฝาก ท่านจึงกำหนดเป็นอาบัติด้วยขาดกรรมสิทธิ์แห่งเจ้าของที่ภิกษุนั้นพ้นจากความเป็นผู้จะต้องสำนองต่อไปภิกษุมีกรรมสิทธิ์ในอนุรักษ์ของซึ่งตั้งอยู่ในที่ใดเช่นภิกษุผู้เป็นพันตะคาริกมีหน้าที่รักษาเรือนคลังแม้มีทายจิตถือเอาของในที่นั้น ยังไม่นำออกไปพ้นเขตเพียงใดอาบัตยังไม่ถึงที่สุดเพียงนั้นต่อเมื่อเอาออกพ้นเขต ท, ที่ตนมีกรรมสิทธิ์ในอนรักษานั้นอาบัตจึงถึงที่สุดเพื่อจำง่ายคนเรียกว่ายักยอกอธิบายนี้อาศัยอาหารเรียกชื่อว่าสังเกตตาวีตินามณนะในอัธกถา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 วินิจัยดังนั้นความไม่ชัดเพราะในเวลาที่ทำปริกับนั้นยังไม่มีไถยจิตลงโดยส่วนเดียวภิกษุนําของคนแกค่าภาษีมาจะผ่านที่เก็บภาษีซ่อนของเหล่านั้นเสียหรือของมากซ่อนอีเห็นแต่น้อยดังนี้ต้องอาบัตถึงที่สุดขณะนํานของนั้นล่วงพนเขตเก็บภาษี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 ของท่านผู้กรองบ้านเมืองในที่จะเก็บภาษีจากสินค้าทั้งหลายเมื่อจะผ่านทางเข้าไปจึงจำจะต้องเสียทรัพย์ซึ่งท่านจะพึงได้จากตนตามจำนวนสินค้ากิริยาเช่นนี้เป็นความเสียหายแก่คนสามัญมาแล้วจึงได้จัดเข้าไว้ในพวกอวหารในคำภีวิพังเรียกชื่อว่าสุงกคาตะ ภิกษุชักชวนกันไปทำจรกรรมลงมือบ้างมิได้ลงมือบ้างต้องอาบัตถึงที่สุดด้วยกันทั้งนั้นเพื่อจำง่ายคนเรียกว่าปลนอวาหารมาในอัตถกถาคนกล่าวไว้ในที่นี้สามอย่างคือภิกษุทำของปลอมเช่นทำเงินปลอมทำทองปลอมช่างของตวงของ ด้วยเครื่องช่างเครื่องตวงอันโกงต้องอาบัต ด, ด้วยธรรมสาเร็จเพื่อจําง่ายคนเรียกว่าหลอกลวงภิกษุมีอํานาจคมเหงเอาทรัพย์ผู้อื่นดังราชบุรุษเก็บค่าอากรเกินพิกัดต้องอาบัตถึงที่สุดในขณะที่ได้ของมาเพื่อจําง่ายคนเรียกว่ากดขี่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 เพื่อจำง่ายคนเรียกว่าลักซ่อนไม่ใช่แต่เพียงภิกษุทำเองสั่งคนอื่นให้ทำอธินาทานเป็นส่วนโจรกรรมดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องอาบัตเหมือนกันเหตุดังนั้นอาบัตในสิกขาบทนี้ชื่อว่าต้องเพราะสั่งด้วยเรียกสานติกะ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 อาบัตถึงที่สุดในขณะที่ผู้รับใช้ทาโจ o r กรรมสำเร็จตามสั่งถึงกำหนดโดยอาการดังต่อไปนี้สั่งต่อเดียวไม่มีปริกบคือความกำหนดในใจด้วยเงื่อนไขหรือข้อแม้อาบัตถึงที่สุดขณะที่ผู้รับใช้ทาโจร r กรรมสำเร็จตามสั่งต้องด้วยการทั้งสองรูปทั้งผู้สั่งและผู้รับสั่ง รันสั่งแล้วแต่ได้ห้ามซะก่อนแต่ผู้รับสั่งนั้นขืนทำโดยพร ะ, ะตนเองภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัตต้องแต่ภิกษุผู้รับสั่งสั่งเจาะจงรั์แต่ผู้รับสั่งไพร่ลักเอาสิ่งอื่นมาก็พึงรู้ด้วยในยานี้สั่งด้วยธรรมนิมิตซึ่งเรียกว่าใช้ใบ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 ก็พึงรู้โดยในย่านี้สั่งหลายต่อเช่นภิกษุแดงสั่งภิกษุเขียวให้บอกภิกษุดำเพื่อทำจรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะสั่งต่อออกไปอีกก็ตามอาบัตถึงที่สุดในขณะภิกษุรูปหลังทำสำเร็จตามสั่งอันไม่ลักลั่นถ้าคำสั่งนั้น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 แม้เช่นนี้ภิกษุผู้สั่งนั้นก็ไม่พ้นอาบัติอธิบายนี้อาศัยอวหารชื่ออัฏฐาสาทกะในอัฏฐกถาซึ่งแปลว่ายังอัฏฐะให้สำเร็จแต่ในอัฏฐกถานั้นท่านหาได้อธิบายเช่นนี้ไม่ท่านอธิบายไว้สองในยะอย่างหนึ่งว่า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 ภิกษุเอาของที่อาจจะดื่มน้ำมันได้ทิ้งลงในหม้อ น, น้ำมันของผู้อื่นพอของนั้นหลุดจากมือก็เป็นประราชิกตามในย่าก่อนผู้สั่งเป็นประราชิกก่อนทาสำเร็จผิดจากบาลีที่กำหนดองค์ของสิกขาบทนี้ทั้งอย่างไรจะรู้ได้ว่าของนั้นผู้รับสั่งจากลักได้เป็นแน่แท้อย่างไรก็ยังปรับอาบัติไม่ได้ กว่าผู้รับใช้จะได้ทำสำเร็จดูเหมือนจะพูดเล่นแต่น่าจะมีที่มุ่งหมายดังข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาขึ้นข้อหนึ่งเช่นภิกษุแดงเขียนจดหมายถึงภิกษุดำผู้อยู่ต่างถิน่นซึ่งจะพึงเดินทางหลายวันส่งธนบัตรปลอมไปให้ขอให้ช่วยใช้เพื่อได้ทรัพย์มาแบ่งกัน ในระหว่างที่จดหมายและธนบัตรปลอมยังไปไม่ถึงภิกษุแดงมีอันเป็นตายเสียก็ดีโดยคิดจะหลบจากอาบัติป ร, ราชิกศึกเสียก็ดีจดหมายและธนบัตรปลอมนั้นไปถึงภิกษุ ด, ดำและเธอลวงใช้สาเร็จในภายหลังดังนี้จะจัดว่าภิกษุแดงพูดสั่งเดิมต้องป ร, ราชิกด้วยหรือไม่ตายไปแล้วก็แล้วไป ทางที่จําเป็นจะวินิจฉัยนั้นต่างว่านายแดงผู้นั้นจะพลัดจะบพลูเข้ามาอุปสมบทอยู่ในหมู่ภิกษุจกคงให้อยู่ต่อไปหรือจักต้องถูกนาสนะคือการลงโทษบุคคลผู้ไม่สมควรถือเพศบรรปะชิตมีสามอย่างคือให้ชิบหายจากเพศคือให้ศึกเสียให้ชิบหายด้วยการลงโทษและให้ชิบหายจากสังวาส ตามความเห็นของพระอัฏฐกถาจารย์ท่านเห็นควรนาสนะเสียแต่จะยกบทไหนขึ้นปรับเป็นปัญหาอยู่ท่านจึงเอามาจอดในบทอัฏฐาสาธกะแต่อันที่จริงจอดในบทชื่อบุพพประโยคถูกกว่าแต่ท่านแก้เป็นการสั่งไปเสียอวาหารข้อนี้ชอบกลแต่รับรองก็ไม่เชิงจะปฏิเสธก็ไม่ได้พระวินัยทรจงวินิจฉัยดูเถิด ส่วนเอาของที่ดื่มน้ำมันได้ทิ้งลงไปในหม้อน้ำมันของผู้อื่นเห็นชติทีเดียวว่าอธิบายผิดเพราะควรจะกำหนดด้วยเอาขึ้นจากหม้อนับในอาการให้เคลื่อนที่ในอัตถกถาแสดงอาวหาร25ต่างแต่ชื่อแก่อัฏฐะซ้ำไปซ้ำมาป้วนเปลี่ยนมีบทพอที่จะฟังได้อยู่บ้างหรือบทพอจะเป็นทางพิจารณาได้ ชักมาไว้ในหนหลังแล้วบทเหลือจากนั้นจะไม่กล่าวถึงผู้ต้องการรู้จงดูในบุพพาสิกขาวันนั น, นาเถิดหากจะมีคำถามสอดเข้ามาว่าอวหาร25หนั้นของพระอัฏฐกถาจารย์เองเอเชไนท่านจักอธิบายป้วนเปียนมีคำแก้ว่าไม่ใช่ของท่านเองเก็บมาจากบาลีบ้างบางทีจะเก็บชื่อมาจากกฎหมายของบ้านเมืองบ้าง เช่นอาการ32อันเป็นอารมณ์แห่งกายคตาสติกรรมฐานซึ่งพันานาไว้ในคำภีวิสุทธิมาเก็บออกมาจากตำราแพทย์ในครั้งนั้นแต่ท่านไม่เข้าใจอธิบายของเขาจึงคิดอธิบายพอสมพยัญชนะข้อที่เห็นว่าผิดได้ง่ายๆนั้นชื่อหมดว่านาน า, นาพันดาปัญจกะและเอกะพันดาปัญจกะ ซึ่งแจกอาหารบทละห้าบทละห้าเหมือนกันท่านแก้ว่านานาพันดะนั้นได้แก่ของทั้งมีวิญญาณทั้งไม่มีวิญญาณส่วนเอกาพันดะนั้นได้แก่ของมีวิญญาณคือสัตว์ต่างชนิดเมื่อเป็นเช่นนั้นน่าชวนให้คิดว่าแยกของมีวิญญาณไว้หมวดหนึ่งแล้วเกดชนไหนไม่แยกเอาเฉพาะของไม่มีวิญญาณไว้อีกหมวดหนึ่งเล่า จะตามในยานี้ไม่ดีกว่าหรือเป็นการจริงรั้นจะเอาตามนั้นชื่อพอจะแก้ได้แต่บทอาหารแก้ยากจึงต้องแก้พอขอไปทีพอให้สมอัตถะแห่งน า, นานาพันดะซึ่งแปลว่าของต่างกันข้าพเจ้าสันนิฐานเห็นว่าสองชื่อนั้นกำหนดด้วยจำนวนแห่งทรัพย์ทรั์สิ่งเดียว มีราคาเป็นวัตถุแห่งประราชิกเรียกว่าเอกพันดะแปลว่าทรัพย์สิ่งเดียวทรัพย์สิ่งหนึ่งหนึ่งอันมีราคาไม่ถึงเป็นวัตถุแห่งประราชิกภิกษุลักในคราวเดียวกันเอาตีราคารวมกันได้เรียกนานาพันดะแปลว่าทรัพย์ต่างกันคือหลายสิ่งคําว่าต่างกัน หรือต่างๆใช้หมายของชนิดเดียวกันแต่หลายสิ่งได้มีอุทาหรณ์เดินในภาษาไทยแม้จะเล็งของมีชนิดไม่เหมือนกันโดยเด็ดขาดก็ยังถูกตามอธิบายนั้นการที่จัดนานาพันดาไว้หมวดหนึ่งนั้นก็เพื่อจัดการผู้ลักไม่ให้อ้างเลดว่าของสิ่งหนึ่งหนึ่งมีราคาไม่ถึงเป็นวัตถุแห่งประราชิก ต้องอาบัตตามวัตถุสิ่งหนึ่งหนึ่งมีจำนวนมากลายเท่าวัตถุเหล่านั้นข้อนี้ก็ดีข้อที่กล่าวไว้บ้างแล้วในนลลังก็ดีพอเป็นเครื่องอ้างให้เห็นว่าอาหาร25คืออาการที่ถือว่าเป็นลักทรัพย์ในอัธกถาฟั่นเฟือนักทรัพย์เป็นวัตถุแห่งอาบัตป ร, ราชิกที่กำหนดไว้ในสิกขาบทว่า มีราคาเท่าทรัพย์เป็นวัตถุแห่งมหันตโทษแห่งโจรนั้นในคำภีวิพังนั้นเองตอนนิทานคือบทนำกล่าวว่าบาทหนึ่งตอนบทภาชนีกล่าวว่าห้ามาส ก, กะตามมาตรรูปียะที่ใช้อยู่ในแคว้นมคตนักครั้งนั้นห้ามาส ก, กะเป็นบาทหนึ่งบาทเป็นกะหาปณะหนึ่ง หาปณะเป็นหลังมาตราเช่นเงินบาทในกรุงสยามนะบัตรนี้รูปียะที่ใช้อยู่ในต่างแคว้นมีอัตราไม่เหมือนกันต้องมีมาตราสำหรับแลกเปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งมาตรารูปียะในแคว้นมะคตในครั้งนั้นจะสันนิษฐานเทียบกับมาตรารูปียะในบัตรนี้ย่อมรู้ได้ยากจะเทียบบาทในแคว้นมะคตในครั้งนั้น กับบาทของเราในครั้งนี้ด้วยสักว่าชื่อเหมือนกันก็ไม่ได้มีทางที่พอจะกำหนดเป็นหลักฐานได้สะดวกกว่าอย่างอื่นคือในดีกาทั้งหลายท่านแสดงไว้ว่ากะหาปะนะนั้นเป็นมาตราทองคำราคาเท่าทองคำหนักยี่สิบมาสกะมาสกะหนึ่งมีราคาเท่าทองคำหนักสี่เมล็ดเข้าเหลือกบาทหนึ่ง เป็นหนึ่งเซี่ยวที่สี่ของกะหาปณะจึงมีราคาห้ามาส ก, กะคือเท่าทองคำหนักยี่สิบเมล็ดข้าเปลือกเพราะเป็นมาตราทองคำเทียบกับมาตราเงินจึงมีขึ้นมีลงไม่คงที่เรื่องนี้ท่านพระอมราพิรักิตได้อธิบายไว้โดยพิสดารแล้วในบุพพาสิกขาวันนานาผู้ต้องการรู้ละเอียดจงดูข้างท้ายแห่งคำภีนั้นเถิด แต่พึงเข้าใจว่าครั้งเรียงบุพพสิกขาวันนานานั้นราคาทองคำเทียบกับราคาเงินสูงเพียง16หนักเท่านั้นเพราะเหตุนั้นควรกำหนดทรับเป็นวัตถุแห่งอาบัตในสิกขาบทนี้ดังต่อไปนี้รั์มีราคาบาทหนึ่งคือห้ามาสกะเป็นวัตถุแห่งอาบัตป ร, ราชิกซับมีราคาย่อนบาทลงมา แต่สูงกว่าหนึ่งมาสกะเป็นวัตถุแห่งอาบัตทุลใจทราบมีราคาตั้งแต่หนึ่งมาสกะลงมาเป็นวัตถุแห่งอาบัตทุกกฎในอัธกถากล่าวไว้ว่าของที่เก่าแล้วหรือใช้แล้วราคาย่อมตกลงมาแม้เป็นของใหม่ก็ยังควรตีราคาซึ่งเป็นไปอยู่ในประเทศ และในการที่เกิดเหตุขึ้นทรับสิ่งเดียวมีราคาย่อนจากวัตถุ ป, ป ร, ราชิกรวมกันเข้าตีราคาปรับอาบัตที่สูงกว่าได้ดังวินิจฉัยแล้วในบทว่านาน า, นาพันดะข้างตน้นภิกษุมีไถยจิตถือเอาทรับมีราคาบาทหนึ่งหรือยิ่งกว่าต้องอาบัตป ร, ราชิกมีไถยจิต ถือเอาทรัพย์มีราคาหย่อนจากนั้นต้องอาบัตตามวัตถุภิกษุมีไถยจิตคือจิตคิดขโมยพยายามเพื่อจะถือเอาทรัพย์เป็นวัตถุแห่งประราชิกแต่ทำไม่สำเร็จเช่นจะลักเรือเขาซึ่งลามโซลั่นกุญแจไว้กำลังงัดกุญแจไม่ทันจะออกเห็นคนเดินมาตกใจหนีไปเช่นนี้ ต้องอาบัตเบาลงมาตามประโยคที่ทำเพียงไรอาบัตอย่างนี้เรียกว่าอาบัตในบุคภประโยคคืออาการเป็นเบื้องหน้าแห่งอันลักพึงกำหนดรู้อาบัตโดยประโยคนั้นดังนี้ทอาอวหารสําเร็จต้องป ร, ราชิกทําไม่สําเร็จเป็นแต่เพียงทำของเป็นสังหาริมะอันตั้งลอยอยู่ ไห้ไหวอยู่ในที่เช่นอย่างเรือให้เลื่อนเข้าเลื่อนออกเล็กน้อยในเวลางัดกุญแจต้องทุนละใจหลักตอนสัตว์ให้ย่างเท้าหน้าต้องทุนละใจหรือถอนของเป็นอสังหาริมะให้หลุดถอนเช่นลักฟันต้นไม้อีกประโยคหนึ่งจะสําเร็จต้องทุนละใจ หมายเหตุอีกประโยคหนึ่งคือทําอีกครั้งหนึ่งเช่นการฟันต้นไม้ต้องฟันหลายครั้งการฟันแต่ละครั้งก็ถือเป็นประโยคหนึ่งนะครับในการตู่ที่ดินและช่อเอาของฝากทําให้เจ้าของเกิดสงสัยเมื่อขณะดทวงว่าจะไม่ได้คืนก็ดีเป็นความแพ้เจ้าของก็ดีต้องทุนลัใจ เพื่อจำง่ายพึงกำหนดว่าอีกประโยคหนึ่งจะสำเร็จเป็นอวหารเป็นทุนลัดใจในประโยคที่รองลงไปจากนั้นเป็นทุกกฎทั้งนั้นถ้าทรัพย์มีราคาไม่ถึงเป็นวัตถุแห่งประราชิกอาบัตในบุพภประโยคเป็นทุกกฎทั้งนั้นแต่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจว่าเว้นไว้แต่มีบัญญัติเป็นพิเศษ เช่นตัดต้นไม้ต้องเป็นปาจิตตีแต่ในที่นี้ตัดต้นไม้ถอนหญ้าขุดดินในคำพีวิพังวางไว้เป็นอาบัตทุกกฎทั้งนั้นโดยฐานเป็นบุพภพประโยชน์ของอธินาทานคำว่าประโยคะหรือประโยคแปลว่าการประกอบการกระทาการพยายาม บุภพบภพประโยค่ะบุพภพประโยคหรือบุภพภพประโยคคืออาการหรือการทำความพยายามเบื้องต้นประโยอนก่อนๆแต่การทำการพูดจะสำเร็จบริบูรณ์หรือการกระทำทีแรกอาบัตในบุภพภพประโยคนี้เมื่อต้องอาบัตที่หนักกว่าแล้วนับแต่อาบัตที่หนักนั้นอย่างเดียว เช่นภิกษุงัดกุญแจเรือเมื่อกี้นี้ต้องเพียงอาบัติทุนละใจโดยเข้าใจอยู่ว่าเรือคงไหวพระวินัยทรพึงปรับเฉพาะอาบัติทุนละใจไม่พึงปรับอาบัติทุกกฎเพราะเดินมาหรือจับเรือเป็นต้นอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะ คือต้องมีเจตนาเพราะเหตุนั้นไม่มีอาบัติแก่ภิกษุผู้หาไทยจิตไม่ได้แต่ถือเอาด้วยประการอื่นซึ่งท่านแจกไว้ว่าถือเอาด้วยสำคัญว่าของตนถือเอาด้วยสำคัญว่าของทิ้งเรียกว่าบางสกุลถือเอาด้วยวิสาสะถือเอาเป็นของยืมถ้าของนั้น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 ในพระวินัยก็รับรองตามนั้นจึงได้ยกสัตว์บางเหล่าขึ้นเป็นวัตถุแห่งอาทินนาทานและไม่ปรับอาบัติเพราะถือเอาของสัตว์เดรัจฉานในวินีตาวัตถุแสดงอนณาบัติคือการไม่ต้องอาบัตไว้นอกจากนี้อีกสองประการคือภิกษุไม่รู้เช่นเดินทางจะผ่านที่เก็บภาษี คนอื่นผู้มาด้วยกันแอบเอารัตนะซ่อนไว้ในย่ามของภิกษุเธอพาผ่านที่เก็บภา ษ, ษีไปไม่ต้องอาบัตอีกประการหนึ่งเล่าเรื่องสกุลอุปถาคของท่านพระปิลินทวชชะถูกโจรปล้นพาอาบุตรไปสองคนพระปิลินทวชชะบรรดาลด้วยฤทธิ์พาเด็กสองคนนั้นกลับคืนมาได้ตัดสินว่า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 และจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับวินิจฉัยด้วยหมาเหตุผู้อ่านสำหรับป ร, ราชิกในข้อสองนั้นถ้าดูที่มาจากพระไตรปิฎกจะเห็นว่าต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงถามพระเจ้าเพนดินว่าลักทรัพย์เท่าไหร่ จึงจะผิดกฎหมายถูกลงโทษได้รับคำตอบว่าตั้งแต่ห้ามาสกะขึ้นไปจะเห็นได้ว่าท่านตัดสินความผิดด้วยหลักนี้คือเป็นการผิดกฎหมายบ้านเมืองมากกว่าที่จะคำนวณค่างเงินคือตัดสินว่าถ้าขโมยแค่ไหนผิดกฎหมายต้องโทษซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากกว่านะครับ การตีราคาว่าขโมยของมาเท่าไรนั้นจะเห็นได้ว่าในต้นบัญญัตินั้นไม่ใช่จุดสำคัญยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันถ้าพระปลอมไลายเซ็นผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์แม้จะเล็กน้อยก็ตามก็จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงทางกฎหมายบ้านเมืองดังนั้นจุดที่ควรใส่ใจก็น่าจะเป็นในแง่ที่ว่าการลักขโมยนั้นกฎหมายบ้านเมืองว่าอย่างไร และทำถึงขั้นไหนที่จะของทรัพย์เดือดร้อนและมีโทษทางอาญาแผ่นดินมากกว่านะครับถ้าเข้าใจกันตามนี้ว่าแม้การขโมยเล็กน้อยก็เสี่ยงประราชิกแค่ไหนก็น่าจะเป็นการดีต่อการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปด้วยความบริสุทธิ์แห่งศีลอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องมามัวเสียเวลานั่งตีราคาข้าวของที่ต่างยุคต่างสมัยต่างวัฒนธรรมให้วุ่นวายจนมากเกินไปเพราะการลักขโมยนั้น แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็คงไม่เหมาะและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ขวางความเจริญในธรรมอย่างชาัดเจนการบวชก็เพื่อสละซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้ต้องการเจริญในธรรมจะมีทยจิตคือจิตคิดขโมยไม่ได้แม้เพียงในสิ่งเล็กน้อยก็ขอฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ